อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะรายการธรรมารับรุนนะคะทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งโดยประมาณนะคะดิฉันก็จะได้มีโอกาสที่จะมากราบนมัสการแล้วก็สนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนคะ่ะซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่ตัวพาโซ หรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวดัดอุดรธานีนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ขึ้น14ค่ำเดือน10ปีเถาะนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันธรรมศวรณะหรือวันพระใหญ่แล้วเพราะว่าจะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10นะคะวันนี้เรามาพบกันก็เหมือนเช่นเคยนะคะในช่วง ะระยะนี้ยังเป็นช่วงเวลาของการเข้าพรรษาดังนั้นพระอาจารย์ไพบุญพิปุโนโท่านก็จะเมตตาหยิบยกพระคาถาต่างๆที่องค์พระสามมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรยายหรือว่าทรงสั่งสอนหรือตรัสไว้ให้เป็นกติเตือนใจแก่พวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพุศรทธาสิ尼กชนได้รับทราบกันนะคะก็ขอนําท่านผู้ฟังมากราบนำ้ำมัจจรพระอาจารย์ไพบุญพิปุโ น, โนแล้วก็มารับฟังดูว่าวันนี้ ท่านจะหยิบยกพระคาถาเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาให้เราได้รับฟังเป็นความรู้กันนะคะกล่าวณบัณฑ์สการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาจ้าจเชิญบอลสาธุเจ้าค่าะวันอาทิตย์ที่สองของเดือนกันยายนนี้นะเจ้าค่ะพระธานเตรียมพระคถาบทไหนมาเจ้าค่ะก็วันจ้าเชิญบอลมันวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระอย่างที่คุณเนใจว่าเนาะคือจากจวันพรุ่งนี้ไปก็จะเหลือแค่หนึ่งเดือนก็จะออกพรรษาแล้ว แล้วก็วันพรุ่งนี้ทางก็จะมีเทศกาลที่วัดปาด่าตอในโศกที่เป็นของชาวบ้านในระแวกนี้เขาทํากันเนี่ยเขาจะเรียกว่าวันวันเข้าประดับดินเนี่ยแหละก็จะมีการามาทําบุญที่วัดมาใส่บาตรที่วัดมีการทําบุญอุที่ศส่วนกศุนกศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วอย่างนี้แหละรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับคนจีนก็จะมีงานวันไหว้พระจันทร์หรือไงเนี่ยแหละอคืองานวันไหว้พระจันทร์นี่แหละก็คือพี่น้องชาวบ้านมาที่วัดทําอะไรบ้างอะะ ก็จะมาใส่บาตรทำบุญด้วยการให้ทานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกแม่บ้านที่มารักษาศีลนั่งสมาธิที่วัดทุกวันพระเราก็จะมีการเทศเทศสอนให้นั่งสมาธิอย่างเงี้ยเป็นประจำสาธุว่าหลังโยมไปบ้างนะเจ้าค่ะให้ตรงวันค่ะต้องพระใหญ่เท่านั้นนะเจ้าค่ะอ่าเป็นวันพระทุกทุกทุกเ็ดวันเลยทุกๆุกเ็ดวันอือ คือเฉพาะมีเฉพาะในช่วงเขา้าพรรษาที่ชาวบ้านเขาจะมาทํากันจเจ้าค่ะรักมากเลยนะในช่วงเขา้าพรรษาที่วัดปดา่าดันสิโซกก็จะมีการทําวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็ถ้าเป็นช่วงนอกพรรษาก็จะไปทําเป็นการส่วนตัวเป็นการเฉพาะแต่ว่าถ้าในช่วงพรรษาก็จะมาทําวัดรวมกันแล้วก็พวกอุบาสกอุบาสิกาที่มารักษาศีลที่วัดก็จะมาทําวัดเช้าวัดเย็นร่วมกันในวันพระในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นเอง ก็เหลื อ, อแค่เดือนเดีย ว, วก็จะ อ, ออกพรรษาเพราะนั้นผู้ใดที่ตั้งความเพียนอะไรไว้วก็ให้ทําให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําดีแล้วลเราบางคนกินเจบ้างบางคนไม่ดื่มเหล้าบ้างบางคนรักษาศีลแปดบ้างอย่างเงี้ยนะ<อ>ก็ให้ทําต่อไปอดีมากๆเลยแต่จะดีที่สุดก็คืออดเหล้าไปตลอดเลยนะครับอดเหล้าไปตลอดเลยผิดศีลถ้าเราให้ถูกศีลได้เป็นการดีแหละ ทีนี้วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องคาถาหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อันนี้ที่มาอยู่ในสังยุตตานิกายเป็นคัมภีร์ฉบับหนึ่งในพระไตรปิฎกก็ในเรื่องสมัยนั้นตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีคุณเดินใจแล้วก็เป็นวัดเชตวันนั่นแหละวัดที่อนาถบินทิกาเศรษฐีเขาสร้างไว้ให้ก็พอถึงนั่งอยู่ที่นั่นอยู่เนี่ยก็มีพรามณ์แก่สองคน เป็นคนแก่ที่เกิดอยู่ในวรรณพรามในอินเดียนะสองคนนี้เขาก็มามาด้วยกันอายุร้อยี่ปีแล้วคุณตือนใจก็พากันตุเรงตุเรงมาสองคนหิ้วกันมาเหมือนกันเถอะแล้วก็มาถึงมาหาพระเจ้าแล้วก็มาทําความเคารพแล้วก็นั่งอยู่ที่คุนข้างหนึ่งก็ถามว่าเนี่ยข้าพระองค์ทั้งสองนี่นะแก่มากแล้วอายุร้อยี่สิปีจากการเกิดละ อายุ120 2> <Okay. S> 1 2อยปีแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ทำกุศลเอาไว้ไม่ได้ทำกรรมดีเอาไว้นะก็เลยมีความหวาดกลัวว่าจะไปที่ไม่ดีก็เลยมาขอให้พระพุทธเจ้าช่วยให้เขานาะจะทำยังไงถึงจะไปที่ดีได้อ่าพ uh. ระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอถ้าางนีเ้เธอทั้งหลายสองคนเนี่ยถูกความแก่ ครอบงาำเอาแล้วนะเวลาแก่นี่นะคุณเตนใจคือความตายที่มันจะมาเนี่ยเราไม่สามารถต้านทานได้นะมันเหมือนไม้ใกล้ฝั่งนะเจ้าค่ะ เ, เราไม่สามารถต้านทานว่าคืออย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนะว่าความแก่เนี่ยจะนําทางมาสู่ความตายใช่ไหมแก่เนี่ยคือการทําทางเอาไว้ให้ความตายเลยซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเราเปิดทางให้ความตายมันหาเราเนี่ยพอเวลามันมาถึงเราจริงๆเราเร า, เ, ราเขาเรียกว่าไม่สามารถจะต้านทานได้อะ ไม่ว่าคุณจะเอาติดสินบนฤฤฤปัญายมณีก่อนแต่ขออีกสักครึ่งวันไม่ได้นะะมีเงินเท่าไหร่ก็เรียกมาช่วยไม่ได้มีกองทัพเอาต่อให้มีกองทัพช้างมา้าบวกผลมาพลช้างผลม้าเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยได้นะคือถึงจังหวะที่จะตายเมื่อไหร่จบเลยนะแล้วก็ไม่ฤฤฤฤคือคนที่ตายไปแล้วจะไม่มาพูดต่ออีกสักคำสองคาก็ไม่มีนะเพราะตายไปแล้วคอ่า วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่เว้ น, ลนแล้วก็คือจากโรคนี้ไปเลยจ บ, จบเลยใช่อไม่เหมือนเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์ยังมีวันหยุดนะนี้ไม่เป็นน ะ, ค, ะ <c oughs> คือเจอเมื่อไหร่ก็คือตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงจึงแนะนําเอาไว้ว่าให้หาที่พึ่งถ้าอย่างนั้นก็ถ้าจังหวะที่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยเราไม่มีที่พึ่งยังมีความกังวลใจใช่ไหมเอ้ตายแล้วเราไม่ทําความดีไว้เลยทยํายังไงดีงั้นต้องหาที่พึ่งะนะพระพุทธเจ้าก็เลยให้เอา กายกับใจของเราที่ยังมีอยู่ตอนเนี้ยเป็นที่พึ่งพึ่งยังไงแล <Okay. S 1> นะก็คือกายเรามีอะไรบ้างนะให้นําออกด้วยการให้ถ่านนะยกตัวอย่างเป ร, เรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่บ้านเราถูกไฟไหม้อย่างเงี้ยเวลาบ้านถูกไฟไหม้ฟึ่งๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พนัก ง, งานดับเพลิงก็ยังไม่มานะ <Okay. S 1> กเ็เราต้องรีบขนของออกก่อนใช่ไหมจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เงินทองอะไรต่างๆที่เราเก็บไว้ในบ้านเนี่ยต้องรีบเอาออกมาก่อน <Okay. S 1> เลย อะไรคนได้คนก่อนนะขนก่อนเลยแล้วถ้าคนออกมาไม่ได้นี่รับรองไหมหมดไม่เหลือเลยเช่นเดียวกันพระชาติเปรียบเทียบไอ้บ้านที่กําลังไหมอยู่เนี่ยนะเหมือนกับเรือนเรือนที่เรือคือกายของเราที่กําลังแก่ลงแก่ลงความแก่เนี่ยเปรียบเสมือนไฟที่กําลังไหมบ้านอยู่ความแก่ก็คือไฟที่กําลังไหม้กายนี้อยู่พอไหมหมดเมื่อไหร่เนี่ยคือบ้านพังเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มีอยู่ในกายนี้ เราเอาออกมาด้วยการะจะเป็นการสร้างบุญเป็นที่พึ่งของเราซึ่งก็ทางกายมีอะไรบ้างคุณเตนใจก็มีเข้าของเงินทองอะไรต่างเอาออกด้วยการให้ทาน <Okay. S 1> นำออกด้วยการให้ทานนะเรามีอยู่ปเราก็เจียจ่ายแบ่งให้ทานอย่างนี้นีนี่คือทางกายส่วนทางใจ <Okay. S 1> เราก็เอาใจของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งโดยการที่ทาความดีกนะ็ทาความดีทางกายทางวาจาทางใจ3มอย่าง เพราะ <Okay. S 1> ฉะนั้นคนที่านาออกทางกายเนี่ยนะคือสมมติเราให้ทานอย่างนี้สมมุติเรามีเงินอยู่สักจํานวนหนึ่ง เ, เราแบ่งสัดส่วนใช้นะอันนี้ให้ลูกอันนี้ไว้ให้เป็นมรดกทํานู่นทํานี่อส่วนหนึ่งให้ทานอย่างนี้ <Okay. S 1> เวลาที่เราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยใจของเราจะสบายไม่ยึดติดในในเข้าของเงินทองนั้นอันนี้ <Okay. S 1> ก็ชื่อว่ามีใจเป็นที่พึ่งและส่วนหนึ่งโดยการเอาของข้างนอกเนี่ยเป็นเป็นตัวช่วยในการที่ให้เรา สละออกแล้วพอสละออกแล้วใจเราก็จะเป็นขุศลขึ้นมาตรงนี้ที่เอาคาถานี้นะมาพูดก็เพราะว่าเวลาที่เรามีของที่เราสละออกเนี่คุณเตือนใจมันจะคลายความตะหนี่ออกไปทันที <Okay. S 1> คือความตระหนี่ที่จะมายึดว่าอันนี้เป็นของฉันนะ mm hmm. เงินนี้ก็ของฉันบ้านก็ของฉันเสื้อผ้า น, นี้ก็ของฉันอา้าเราสละกซะมันจะมีความเบาขึ้นทันทีนี่ค่ะมาถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับ เมื่อวานที่เราพูดถึงคนที่แบกของมากๆเลยนะมีภาระนะถือของหนักแบกที่บาแล้วยังทุนเสรีหัวอีกถ้าเมื่อไหร่เราปล่อยวางเราปลอของออกปุ๊บเราจะมีความเบาทันทีคือไม่ต้องแบกอะไรอีกต่อไปอไแล้วความเบาสบายนี่แหละจะยกเราขึ้นไปสวรรค์ได้ไปรู้เห็นมรรคผลนิพพานได้อย่างเนี้น ะ, ค, ะคือคือแก่จนอายุร้อยี่สิบหรือแก่มากแล้วเนี่ยภาระอะไรตนา ม, มันเยอะไง ไม่ใเป็นหน้าที่การงานยิ่งคนมีตำแหน่งใหญ่โตมีลูกน้องมากๆ ม, มีเพื่อนฝูงเยอะๆนะโอ้โ oh, ห oh, มันเยอะจริงๆ <Okay. S 1> แล้วก็พอถึงเวลานั้นเนี่ยจะปล่อยมันปล่อยยากเพราะมันหนักแล้วก็ภาระ <Okay. S 1> ก็เยอะจึพระพุชาจึงแนะนำให้โดยการให้ทานซึ่งคาถานี้ได้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่า เ, าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา ส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมไหม่ในไฟนั้นๆฉันใดโลกคือหมูสัตว์อันความแก่และความตายแผดเผาแล้วก็ฉะ น, นั้นควร น, นำออกด้วยการให้ทานเพราะทา น, นวัตถุที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้ว <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็ให้ทานนี่แหละทีนี้เรื่องการให้ทานนี้ก็จะมีประเด็นอยู่นิดหนึ่ง ที่คิดว่าจะเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังฟังได้ว่าคือในเรื่องนี้พูดกับพราหม์ที่อายุ120ทีนี้ว่าการให้ทานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจํากัดว่าเราจะต้องให้ตอนเราแก่หรือว่าให้เฉพาะตอนเรามีมีมากจึงให้อย่างเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นบางคน <c oughs> มีความคิดอย่างนี้คุณเตือนใจว่ า, าขอฉันมีสักล้านหนึ่งก่อนแล้วฉั้นจึงจะทําบุญให้ทานนะ <c oughs> มีสองพันหมนึงเงี้ยไม่ไม่ให้นะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งอาจามาก็จะต้องบอกให้ฟังว่า การให้ทานเนี่ยมันให้ตามสัดส่วนที่ที่เราควรจะจะต้องให้คือหมายความว่ามีน้อยคุณก็ให้น้อยมีมากคุณก็ให้มากเพราะว่าอะไรเพราะถ้าไม่ให้เลยเนี่ยเราจะมีความตรณีความตรณีที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยนะคุณเตือนใจมันจะทําให้จิตของเราไม่เป็นสมาธิพอไม่เป็นสมาธิแล้วจะคิดงานคิดการแก้ปัญหาทํางานให้มันก้าวหนะ้ามันยากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้อยเราให้น้อย นะมีน้อยให้น้อยนี่มันหมายความว่าได้บุญน้อยนะบุญจำนวนบุญเนี่ยไม่ได้อยู่กับปริมาณของว่ากี่บาทกี่บาทที่คุณลงไปแต่อยู่ที่ความที่เรามีละความตรหนีมีความศรัทธาละความยึดถือนี่คือบุญที่จะเกิดขึ้นในจิตเพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้อยเราให้น้อยได้เราให้ทาเท่าที่เราพอใจให้ได้ตรงนี้บุญเกิดละบุญตรงนี้มันจะหนุนเราด้วยให้เรามีมากขึ้น มีมากขึ้นเราก็ทำทานต่อไปนันก็จะค่อยๆหนุนกันไปขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเงี้ยอืมเจ้าค่ะคือไม่ได้การทำบุญจะได้บุญมากหรือน้อยนี่อยู่ที่ความรู้สึกหรือจิตใจของเราในการที่ตั้งมั่นที่จะสละสิ่งนั้นๆให้เป็นทารมใช่ไหมเจ้าค่ะตามกำลังศรัทธาของเราจริงๆและตามที่เรามีแลโยมก็เคยได้ยินด้วยนะเจ้าค่ะอาจารย์ว่า ใครบอกว่า ม, มีมีบางคนบอกนะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็เลยอยากจะขอถือโอกาสนี้กลับเป็นถามพระอาจารย์บูรณุอภิพุนโนเจ้าค่ะ <ừ> เขาบอกว่า <ừ> บางทีการทําบุญของเราเนี่ก็มีพูดกันมาแล้วว่าทําตามกําลังศรัทธาคือตามที่เรามีใช่ไหมเจ้าค่ะใแต่บางคนเนี่ยก็อยากจ ะ, ะให้แบบมีหน้ามีตาทักเทียมเพื่อนเนี่ยก็จะแบบทําจนเกินไปเจ้าค่ะทำ<อ>ให้ตัวเราเองเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนนี่ก็บอก แทนที่จะได้บุญกับได้บาปอันนี้จริงไหมคคะก็จะเป็นความกังวลความกังวลก็เป็นได้เขาเรียกว่าได้อักกุศลธรรมนะคือแต่บุญที่ทานที่เราสละไปยังไงก็ได้อยู่มากหรือน้อยอยู่ที่คือมันไม่ได้เกี่ยวกับการทํายอดไงมันเกี่ยวกับการทําทานถ้าบางคลคิดว่าต้องเป็นยอดต้องได้ยอดเท่านี้ล้านเท่านั้นแสนใช่ไหมก็จริงๆยังไม่ใช่ที่ถูกต้องเนี่ยคือต้องอยู่ที่ความศรัทธาซึ่งความศรัทธามันจะวัดเป็นมูลค่าได้หรอ มันวัดไม่ได้อะอย่างศรัทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นอริยทรัพนะอริยทรัพเนี่ยคือหมายความว่าไม่สามารถตีเป็นค่าเป็นราคาได้นะถ้าเราจะมาตีความศรัทธาของคนเนี่ยโอ้วัดไม่ได้หรอกว่าจะเท่านี้แสนเท่านั้นล้านคือบางคนจ่ายร้อยล้านก็ยังไม่ค่าไม่เท่าศรัทธาที่เขามีกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะบอกว่ามีมูลค่าสูงมากก็สูงมากจริงๆจนกระทั่งเรียกว่าหาค่าไม่ได้นะคือหาค่าไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่า ไม่มีมูลค่าจนหาค่าไม่ได้นะแต่ว่ามีมูลค่าคมากจนกระตั้งหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นปริมา ณ, บ, มาณบุ ญ, บญที่เกิ ด, ดขึ้นชใช่ปริมาณ บ, บุญบที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็อยู่ที่ความศรัทธาพระเจ้าเคยให้เกณฑ์ในการวัดไว้คร่าวๆนะอย่างนี้บอกว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการวัดปริมาณน้ําทะเลในมห า, าสมุทรนะคุณเตือนใจสมมุติว่าในมห า, าสมุทรแปซิฟิกอัตแลนติกอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะเอาน้ําที่มีอยู่ในโลก ในมหาสมุทรอย่างเดียวเนี่ยมาวัดว่ากี่ลิตรนะหรือกี่ลูกบาทเมตรเนี่ยมันวัดไม่ได้วัดยากมากประมาณยากมากนะ <Okay. S 1> ซึ่งมันมีปริมาณมากจริงๆนะซึ่งตรงนี้พระเจ้าก็เปรียบเทียบกับการทําบุญแตนะว่าถ้าเราทําบุญด้วยการให้ทานคือทําบุญมันมีหลายอยา่างใช่ไหมให้ทานนี่เป็นอย่างหนึ่งถ้าเราทํา <Okay. S 1> บุญด้วยการให้ทานเนี่ยนะปริมาณบุญที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยจะมากเท่ากับน้ําทะเลเนี่ยที่เรียกว่าวัดแทบจะไม่ได้เนี่ยนะ มีอยู่องค์ป<จ>ระกอบเ<ร>นี่ย <บา S 1> อยู่ทั้งหมด6อย่างมีอะไรบ้างเจ้าคะใน6อย่างนี้สามอย่างเนี่ยก็อยู่ที่ผู้ให้อีก3อย่างอยู่ที่ผู้รับนะถ้าผู้ให้คุณคมีคุณสมบัติสมอย่างนี้นะก็จะได้บุญมากหรือผู้รับมีคุณสมบัติ3ามอย่างนี้รวมกันเป็น6อย่างก็จะได้บุญมาก3อย่างแรกที่ผู้ให้ก่อนนะก็คืออย่างแรกเนี่ยก่อนให้นะคุณมีศรัทธาในการให้ ศรัทธาในที่นี้หมายถึงว่าคุณตั้งใจมาดีนะนะตั้งใจมาอย่างดีมีการเตรียมการคือศรัทธามันอยู่ที่ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเตรียมการมากหรือน้อยมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยบางทีเราจะมีเวลาเตรียมการน้อยบางคนมีเวลามากก็เตรียมการได้มากแต่ถ้าก่อนให้มีศรัทธาอันนี้ก็จะเป็นการดีนะนนคือบางคนไม่มีศรัทธาคุณเตือนใจแล้วก็ไปเตรียมอะไรที่แบบไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่ง <S <S หรือว่าถ้าเรามีศรัทธาเราอาจจะเตรียมอะไรที่มันเร็วๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะนะ มันอยู่ที่จิตของเราอันนี้คือการใช่ความตั้งใจว่าเรามีศรัทธาในการให้อย่างที่สองก็คือศรัทธาในการระหว่างให้ตอนที่กำลังให้อยู่นะก่อนที่อย่างเช่นคุณย์ใบถวายของพระอย่างเงี้ยว่างที่ให้อยู่หรือว่าสร้างทานใดทานหนึ่งระหว่างที่กำลังมอบกันอยู่ระหว่างให้กันอยู่เนี่ยเรามีศรัทธาไม่มีความกังวลไม่มีจิตที่มัวหมองเป็นจิตที่มีสมาธิ เป็นจิตที่ตั้งมั่นมีศรัทธาอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่สองส่วนองค์ประกอบที่สามก็คือว่าหลังให้นะก็มีศรัทธาอีกเหมือนกันคือไม่ใช่มาคิดว่าโอ้ยเสียดายว่าให้ไปแล้วไม่น่าให้เลยอย่างงี้นะเอาหรือให้ให้มากอะไรเงี้ยให้ไปแล้วเอาทำไมท่านเอาไปทําอย่างนั้นไม่เห็นตามประโยชน์ที่เราว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอบุญของเราจะมัวหมองเพราะนั้นถ้าเราให้ไปแล้วนะ ก็ยังมีความระลึกถึงาทานอยู่ซึ่งตรงนี้อาตมามามองประเด็นที่ว่าทำไมวัดหลายๆวัดเนี่ยที่เขามีคนที่ถวายทานใช่ไหมแล้วเขาก็มาเขียนชื่อติดเอาไว้ะนะเร <Okay. S 1> าแรกอาตมาก็คิดว่าโอ๊ยมาเขียนทําไมทําไมต้องมาโอ้วดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่ง <Okay. S 1> เราคิดว่าเราคิดไม่ถูกเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเจ้าของบุญเขาไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะมีศรัทธาว่าเออฉันเคยทําที่นี่ไว้นะจิตเขาก็จะเป็นศรัทธามีก็เรียกว่าเป็นกุศลธรรมอยู่ เรา<ช>แทนที่เราจะมาเห็นว่าเป็นเรื่องอที่ลกหูลกตาเกกะหรือเป็นการโอ้อวดเราน่าจะอนุโมทนากับเขามากกว่า<ช><ช>คิดว่าอย่างนี้ถึงจะถูกน ะ, ะซึ่งก็ยมฐานขั้นตรงนี้นิดนิดเจ้าค่ ะ, ขะเขาบอกว่าแม้ว่าเราไม่ทําบุญเองนะเจ้าคะแต่ถ้าเราเห็นใครทําบุญหรือว่าเขามาบอกเราว่าเขาทําบุญเนี่ยเรามีจิตอนุโมทนาบุญกับคราวนี้เราก็ได้บุญเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะโอ้แน่นอนเลยคุณเดินใจเหมือนกับต่อเทียนไง สมมติเขาเอาเทียนมาให้เราเรามีเทียนอยู่นะเราก็เอาเอาไฟมาให้อย่างเงี้ยนะเทียนเขามีไฟอยู่แต่เทียนของเราไม่มีไฟอย่างเงี้ยเราเอาไฟของเขามาต่อไฟของเราก็สว่างขึ้นมาอ่าเจ้าค่ะทีนี้มันมันจะไม่ได้เหมือนกับการที่เหมือนกับแบ่งเค้กสมมุติเขาเออมาบอกบุญให้เราทราบว่าเขาไปทําที่นั่นที่นี่มาอขอแบ่งบุญให้นะมันจะไม่เหมือนกับการแบ่งเค้กว่าของเขาลดไปแล้วของเราเพิ่มมาไม่ใช่อย่างนั้นอ่าแต่จะเป็นลักษณะของการที่ ต่อเทียนต่อไฟให้เทียนอย่างเงี้ยของเขาก็ไม่ได้ลดของเราก็เพิ่มมาเพราะว่า ừ, เป็นบุญส่วนใหม่ที่เกิดจากการที่เรามีมุทิตาจิตกับบุญที่เขาทำคืออนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าค่ะทีนี้ตรงนี้ถ้าเราไม่ไม่อนุโมทนาด้วยแถมยังคิดไม่ดีโอ้ยให้ทำไมเราเอาบาปมาเลยนะเราแบ่ง <c oughs> บาปมาเลยนะสร้างบาปเกิดขึ้น ใ, ในจิตเลยอ่ไม่ดีเลย เพราะนั้นใครทําอะไรในเรื่องให้ทานเนี่ยผู้เช้ายังเคยเตือนมาอย่างหนึ่งด้วยสมมุติคนเขากำลังจะให้ทานกันอยู่เนี่ยนะเราไปขวางเราไปห้ามอย่างเงี้ยคนที่ห้ามผู้อื่นให้ทานเนี่ยชื่อว่าไม่ใช่มิตรแทร้เขาจะให้กันอยู่แล้วเนี่ยเราเหมือนกับมีสุภา ษ, ษิต<า>ไทยเขาว่ า, าอเออเข า, าอะไรอ่าหมูจะหามเอาคานก็ไปสอดอะไรเนี่ยนะซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาจะให้ทานกันแล้วเนี่ยแทนที่ เราไม่ควรจะขวางเราไม่ควรจะเข้าไปอาบอกว่าอย่าให้เลยเราไม่ควรทำนะเราควร จ, จะจอนุโมทนากับเขาด้วยซ้ำเออเขาท ด, ดีละทีนี้การทำของเขาเนี่ยเราควรจะแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่าเอาคุณทำถูกไ้ยคุณทำแล้วได้บุญมากที่สุดหรือเปล่าอย่างนี้นะก็โดยชีย้แจงประเด็น6ประเด็นที่เรากลังพูดถึงอย่างนี้3อย่างแรกเราได้พูดไปแล้วในเรื่องของผู้ให ใช่ไหมว่าถ้าคุณเขากําลังให้อยู่เอาคุณมีศรัทธาก่อนให้ไหมระบังให้ไหมหลังให้ไหมถ้าเขามีนะคุณอย่าไปพูดเลยว่าอย่าทำํำนะทำแล้ดีแล้วทีนี้เราก็มาดูองค์ประกอบกับผู้รับนะอีก3อย่าง อ, องค์ประกอบของผู้รับอีก3อย่างนั้นก็คือว่าผู้รับเนี่ยมีคุณสมบัติ3อย่างนี้ก็คือว่า1นะึเป็นผู้ที่มีราคะกิเลสหรือว่ากําลังปฏิบัติเพื่อให้หมดซึ่งราคากิเลส คือหมายความว่ากำลังเพียรปฏิบัติอยู่หรือว่าหมดกิเลสราคาดแล้วไม่กันเถ อ, อะิดนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของโทสะนะกําลังปฏิบัติให้หมดโทสะหรือว่าหมดแล้วซึ่งโทสกิเลสและอย่างที่สามก็คือเรื่องของโมหะคือกําลังปฏิบัติให้หมดโมหะหรือว่าหมดแล้วซึ่งโมหกิเลสถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเป็นพระอาหารหันต์แล้วหรือยังนะหรือว่ากําลังเพียรปฏิบัติเพื่อให้ถึงความเป็นพระอรหันต ถ้าทํำถวายทานในบุคคลเหล่านี้ก็จะได้บุญมากในเรื่องนี้ก็มีอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่กําลังเพียรปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ก็จะจะได้บุญมากเป็นสามองค์ประกอบหลังซึ่งซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าหกองค์ประกอบนี้รวมกันก็จะทําให้มีได้บุญมากทีนี้หลังจากจบุญเจอบูญใช่ไหมเจ้าคะ บุญก็จะมีปริมาณมากเหมือนกับน้ําทะเลในมหาสมุทรเนี่ยวัดว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยวัดไม่ได้นะมากจริงๆเจค่ะทีนี้พอพระรูเจ้า อ, อ๋ย้ําครั้ ง, ง อ, อ่าฮะอ๋อย้ำอีกครั้งในเจ้าค่ะว่าคู้ให้ต้องมีศรัทธาในการที่แม่ก่อนให้ใระหว่างที่เราให้แล้วก็หลังจากให้ ก, ก็ต้องมีศรัทธาเต็มเปี่ยมอนุโมทนาบุญในสิ่งที่เราอทําบุญนั้นโดยไม่มีการคิดเสียดายหรือว่าคิดไปนในทางที่ ไม่ดีไปอย่างอื่นนะเจ้าคะแล้วผู้รับเองก็จะมีคุณลักษณะหรือองค์ประกอบ3ามประการก็คือเป็นผู้ที่คล้ายๆว่าจะละไปแล้วหรือว่ากําลังปฏิบัติที่จะละกิเลสความเพียรต่างๆใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ทางโมหะทั้งหลายก็คือพระอรหันต์หรือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองถูกไหมเจ้าคะถ้าเราทําบุญกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือพระอรหันต์เนี้ยบุญ ก็จะสมบูรณ์แล้วก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะเจ้าค่ะใช่ทีนี้พอพระรูชาได้ตรัสถึงตรงนี้เสร็จใช่ไหมคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออไก็ต้องทําบุญกับพระสงค์อย่างเดียวสิก็เลยมีคนมาโจดนะบอกว่าเนี่ยสมณโคโดมเนี่ยสั่งสอนให้ทําบุญกับในตัวเองนะให้ทานกับในตัวเองแล้วก็ให้ทานกับในสาวกของตัวเองคนอื่นไม่ให้พูดอย่างนี้นะพระรูชาก็เลยตรัสบอกว่ารจริงๆเนี่ยนะการให้ทานเอาอย่างเช่นง่ายๆ คุณกินข้าวมาเสร็จนะไม่มีไม่มีเศษข้าวเหลืออยู่ในจานแล้วก็เอาจานนี้มาล้างแล้วก็เทเศษน้ําล้างจานลงไปในบ่อน้ําตมนะเพื่อหวังว่าตัวอะไรในนั้นเนี่ยมันจะได้กินเศษอาหารที่เราทิ้งเหลือไว้บ้างนะแค่นี้ก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญยังเป็นทางมาแห่งบุญนะฉะนั้นเลยกับจะทํากับมนุษย์ด้วยกันผู้ใดก็ตามที่บอกว่าเออคนอื่นอย่าใหเ้เธออย่าให้ทานกับคนอื่นนะให้กับฉันคนเดียวผู้นี้ชื่อว่าขุดรากตัวเอง หมายความว่าขุดรากตัวเองบางคนขุดที่ที่อยู่ตัวเองอยู่เนี่ยมันก็จะทําลายลงไปใช่ไหมครูชาบอกว่าไม่เคยพูดอย่างนั้นนะเราเคยตรัสแต่บอกว่าการให้บุญการทําทานเนี่ยถ้าเราดูนะเราดูให้ดีว่าคนไหนมีศีลคืออย่างการที่เราจะมารู้ว่าคนนี้หมดราคะโทสะโมะหรือยังเนี่ยมันดูยากคุณเดือนใจมันไม่มีมิเตอร์มาวัดอ่ะอย่างถ้าเราจะต้องการรู้อุณหภูมิใช่ไหมเราเอาเทอร์โมมิเตอร์มาเสียบเข้าจ็กแลตอ่ะวัดออกมาอ่ะคุณสามสิบเจองศาไม่เป็นไข่ แต่มันไม่มี<ช>มิตเตอร์ที่จะมาวัดว่าเออคุณมีราคาโทสะโมหะน้อยหรือไม่มีเราจะดูได้อย่างไงก็ต้องดูที่บุคคลเนี้ยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหรือเปล่านะเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นทางที่จะนําไปสู่มรรคผลนิพพานใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราก็ดูว่าคนนี้มีศีลก็ต้องยึดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะใช่ใช่ดูที่ตรงนี้อทีนี้คนนี้มีศีลไม่ว่าจะเป็นคารวาสเป็นองค์กรไหนเป็นพระเป็นเนนเป็น ใครก็แล้วแต่คุณมีสีมีสมาธิมีปัญญาเอออันนี้เราจะมีส่วนแห่งบุญมากขึ้นแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงแค่ถวัสขนาดว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยเอาขนาดแค่เศษตัวอะไรที่มันอยู่ในบ่อ น, น้ําตมเนี่ยเรายังได้บุญนะคุณเตือนใจหรือเอาเศษข้าวไปให้หมาเงี้ยเราก็ได้บุญนะเออหรือว่าโปรโยเศษของเรานะใช่ว่าเราเกื้อกูลเขาที่เราก็เป็นทางมยายบุญละแต่ว่าบุญจะมากน้อยไม่เท่ากันแค่นั้นเองแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยสอน พูดถึงว่าบุญเนี่ยปริมาณมากก็ไล่มาเลยคุณเตือนใจตั้งแต่ให้ทานในสัตว์เดรัจฉานนะให้ทานกับคนทุศีลก็ได้บุญมากขึ้นมาอีกหน่อยให้ทานกับคนที่มีศีลก็ได้มากขึ้นมาอีกหน่อยให้ทานกับพระโสดาบันก็ได้บุญมากขึ้นมาอีกให้ทานกับพระสกทาคามีพระอนคาคามีพระลาหนพระประเจกรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็หมู่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะเราก็เป็นการถวายทานคือถวายเสนาสนะอย่างเช่น สร้างเสนาชนะเส้นสร้างโบสถ์สร้างกุฏิสร้างวิหารเนี่เขาจะได้บุญมากขึ้นมากขึ้นไปเจค่ะเพราะว่าเป็นการสร้างสิ่งที่จะให้อ่าพระท่านได้สืบศาสนาต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะอประเด็นมันคือตรงนี้ว่าถ้าสมมติอย่างกุฏิที่เราสร้างหรือว่าโบสถ์ที่เราทําหรือว่าวิหารที่เราสร้างไว้เนี่ยน ะ, ะเกิดมีใครคสักคนใดคนหนึ่งมานั่งสมาธิในที่นั้นแล้วบรรลุสําเร็จเป็นพระอรหันเนี่ยโอ้โหเราจะได้บุญมากด้วยเจ้าค่ะคือคือก็จะมีแนวคิดอย่างนี้นะ ทีนี้ทั้งนี้ <Okay. S 1> ทั้งนั้นเนี่ยไอเรื่องของการให้ทานก็จะเป็นเป็นการทําสร้างบุญอย่างหนึ่งใช่ไหมทีนี้การสร้างบุญก็ยังมีอีกหลายอย่างอย่างที่2ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงก็คือเรื่องการาปฏิบัติตามศีลซึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าพูดพระสูตรเนี่ยคุณเตือนใจที่พูดถึงว่ า, าให้ทานสร้างวิหารใช่ไหมได้บุญมากที่สุดละก็บอกพูดถึงสิ่งที่ได้บุญมากกว่าอีกก็คือการให้ทานเออขออภัยการรักษาศีลคือการรักษาศีล เช่นสมมุติเราจะตบยุงตัวหนึ่งเงี้ยเออฉันไม่ตบหรอกปล่อยให้มันไปให้ทานเลือดก็แล้วกันนั่นเราได้บุญมากจริงๆ<ช>นะ อ, อือเจ้าค่ะเราจะด่าลูกอย่างเงี้ยหรือจะด่าผัวหรือจะด่าเมียหรือจะด่าเจ้านายจะด่าลูกน้องเงี้ยเออไม่ด่าก็แล้วกันนั่ น, นเราได้บุญในจิ ต, ตทันทีง่ายไหมอือเจ้นาค่ะอ่าเจ้าค่ะง่ายมากๆเลยเจ้าค่ะเออประโยชน์สูงประหยัดสุดการตัวเองนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสูงไปกว่านั้นอีกนั่นคือการปฏิบัติสมาธิภาวนา นั่งสมาธิคือปฏิบัติบูชานั่นเองใช่ไหมจิตคือคือมันดูง่ายๆอย่างนี้ว่าสมมติเราจะสร้างบุญเนี่ยเราเอาของภายนอกทํำด้วยการให้ทานใช่ไหมก็อย่างหนึ่งต่อมาเราเอากายของเราทําะเอากายของเราคือรักษาศีลต่อมาเราเอาจิตของเราทําคือนั่งสมาธิภาวนาซึ่งเอาจิตล้างจิตไงถ้าสมมุติเอาของข้างหน้าออกมาล้างเนี่ยมันก็ไม่สะอาดเท่ากับเอาตัวล้างเอาตัวล้างก็ไม่สะอาดเท่ากับเอาจิตล้างะจิตก็จะยิ่งสะอาดขึ้นดีขึ้นมางเงินเถอะใชค่ะ เขาทำมาจากจิตที่บริสุทธิ์จริงๆใช่ไหมเจ้าคะใช่เจ้าคะ่ะน่าสนใจมากเลยนะเจ้าคะ่ะประเด็นนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังมานั้นเนี้ยคงจะได้แง่คิดดีมากๆเลยจากพระอาจารย์ไปบุญอภิพุโนโนนะคะทีนี้เหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายเจ้าคะ่ะพระอาจารย์จะฝากแง่คิดอะไรสําหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้ในเจ้าค้านิมนต์เลยเจ้าคะ่ะใช่เพราะฉะนั้นก็จึงต้องฝากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบว่าเอ่อการสร้างบุญของเราต้องสร้างอยู่เรื่อยๆอย่าประมาท อย่าเหมือนพรามณคนนี้ที่ไม่ได้สร้างบุญแล้วก็มามีความกังวลในภายหลังซึ่งการสร้างบุญนั้นก็ให้ทําทานนะให้รักษาศีลให้เจริญภาวนาให้ทำอยู่เรื่อยๆมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยทําทางกายด้วยทางใจด้วยอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทสบายใจได้เจ้าค่ะคือไม่ต้องรอถึงแก่แล้วค่อยทำอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะชแต่ว่ามั น, มนทําไปเรื่อยๆเลยเพื่อว่า ถ้าเผื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็คงไปในทางที่ดีใช่ไหมเจ้าค่ะความสบายใจมาเถอะเจ้าค่ะตอนอยู่ก็เป็นสุขตอนไปก็ไปอย่างสงบนะเจ้าค่ะใช่คนที่เราจากเขาไปแล้วเขาก็ไม่ด่าเรารับหลังด้วยเจ้าค่ะใช่ต้องกราบขอพระคุณพระอาจารย์เปบูนุพิพุโนเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นมือขวาหรือว่าเป็นกําลังสําคัญของพระเาษีคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิตตูภาสูท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกค่ะ เพราะว่าพระอาจารย์ไปบูญอภิปุโนนั้นท่านเป็นผู้มุ่งในการหลักสูตรที่จะปฏิบัติทมอย่างชนิดที่เรียกว่าตามพุทธโอที่วัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็มีเป็นประจำทุกเดือนนะคะท่านผู้ฟังว่างก็เรียนเชิญเลยค่ะสอบถามกันได้ที่เว็บไซต์ของทางวัดนะคะเพียวธรรม com คค่ะก็คิดว่าคงจะเป็นกุศลอย่างมากเลยถ้าท่านจะไป ปฏิบัติธรรมกันนะคะในเดือนหน้าซึ่งจะเป็นเดือนที่จะออกพรรษานั้นเนี่ยทางวัดป่าดอนไหายโศกก็จะมีการทอดกรถินใหญ่ในวันที่23ตุลาคมนะคะ mm hmm. ก็ขออนุญาตดิฉันชิญชว น, ชนล่วงหน้าสมัครท่านที่จะร่วมบูตร่วมกุศลก็ไปกันได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับในเช้าวันนี้คงจะต้องลาท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกล่าบนมัธการ ขอพระคุณและลาพระอาจารย์พบูลอภิพุนโนไปพร้อมกันนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวัวนเสาร์และวันอาทิตย์หน้าเป็นการสนทนาธรรมะหรือว่าสากชาเหมือนเช่นเคยค่ะกลาบนามรัสการและกลาบขอบพคุณเจ้าค่ะพระอาจ า, ารย์เจ้าขาสาธุเจ้า่ะ